ยี่สหถึงยีปฏิสัมพิทาญาณนิเทศแสดงปฏิสัมพิทาญานปัญญาในอัตตต่างๆชื่อว่าอัตตปฏิสัมพิทาญานปัญญาในธรรมต่างๆชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาญานปัญญาในนิรุตติต่างๆชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาญานปัญญาในปฏิพานต่างๆชื่อว่า ปฏิพานและปฏิสัมพิทาญาณเป็นอย่างไรคือสัตทินสีชื่อว่าธรรมวิริยนสีช oh ื um. ่อว่าธรรมสตินสีชื่อว่าธรรมสมาธินสีชื่อว่าธรรมปัญญินสีชื่อว่าธรรมสัตธินสีเป็นธรรมอย่างหนึ่งวิริยนสีเป็นธรรมอย่างหนึ่งสตินสีเป็นธรรมอย่างหนึ่งสมาทินีเป็นธรรมอย่างหนึ่ง ปัญญินสีเป็นธรรมอย่างหนึ่งพระโยคาวจรรู้ธรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยยานใดเป็นอันรู้เฉพาะธรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยยานนั้นนั่นแหละเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในธรรมต่างๆชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาญานสภาวะที่น้อมไปชื่อว่าอัดสภาวะที่ประคองไว้ชื่อว่าอัดสภาวะที่เข้าไปตั้งไว้ชื่อว่าอัด สภาวะที่ไม่ฟุ้งร้านชื่อว่าอัดสภาวะที่เห็นชื่อว่าอัดสภาวะที่น้อมไปเป็นอัดอย่างหนึง่งสภาวะที่ประคองไว้เป็นอัดอย่างหนึง่งสภาวะที่เข้าไปตั้งไว้เป็นอัดอย่างหนึ่งสภาวะที่ไม่ฟุ้งร้านเป็นอัดอย่างหนึ่งสภาวะที่เห็นเป็นอัดอย่างหนึ่งพระโยคาวจรรู้อัดต่างๆเหล่านี้ด้วยยานใด เป็นอันรู้เฉพาะอัตตต่างๆเหล่านี้ด้วยยา น, นั้นนั่นแหละเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในอัตตต่างๆชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาาณการระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงธรรมห้าประการการระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงอัตห้าประการธรรมนิรุตติเป็นอย่างหนึ่งอัฏ น, นิรุตติเป็นอย่างหนึ่ง พระโยคาวจรรู้นิรุตติต่างๆเหล่านี้ด้วยยานใดเป็นอันรู้เฉพาะนิรุตติต่างๆเหล่านี้ด้วยยานนั้นนั่นแหละเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในนิรุตติต่างๆชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทายานยานในธรรมห้าประการยานในอนัตห้าประการยานในนิรุตติสิบประการยานในธรรมเป็นอย่างหนึ่งยานในอัตเป็นอย่างหนึ่ง ญาณในนิรุติเป็นอย่างหนึ่งพระโยคาวจรรู้ญาณต่างๆเหล่านี้ด้วยญาณใดเป็นอันรู้เฉพาะญาณต่างๆเหล่านี้ด้วยญาณ น, นั้นนั่นแหละเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในปฏิพานต่างๆชื่อว่าปฏิพานะปฏิาาสัมพิทาาณสัทธาภละชื่อว่าธรรมวิริยะภละชื่อว่าธรรมสติภละชื่อว่าธรรมสมาธิภละชื่อว่าธรรม ปัญญาภละชื่อว่าธรรมสัทธาภะละเป็นธรรมอย่างหนึ่งวิริยะภะละเป็นธรรมอย่างหนึ่งสติภะละเป็ น, รนธรนรมอย่างหนึ่งสมาธิภะละเป็นธรรมอย่างหนึ่งปัญญาภละเป็นธรรมอย่างหนึ่งพระโยคาวรจรรู้ธรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยญาณใดเป็นอันรู้เฉพาะธรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยญาณนั้นนั่นแหละเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในธรรมต่างๆชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาญาณสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาชื่อว่าอัดสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะความเกียรตคร้านชื่อว่าอัดสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทชื่อว่าอัดสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะอุทธัจชื่อว่าอัดสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชาชื่อว่าอัด สภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาเป็นอัตย่างหนึ่งสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะความเกียดคร้านเป็นอัตย่างหนึ่งสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทเป็นอัตย่างหนึ่งสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะอุทจจะเป็นอัตย่างหนึ่งสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชาเป็นอัตย่างหนึ่งพระโยคาวจรรู้อัตตต่างๆเหล่านี้ด้วยยานใด เป็นอันรู้เฉพาะอัตต่างๆเหล่านี้ด้วยยานนั้นนั่นแหละเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในอัตต่างๆชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาญาณการระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงธรรมห้าประการการระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงอัตตห้าประการธรรมนิรุตติเป็นอย่างหนึ่งอัฏฐนิรุตติเป็นอย่างหนึ่ง พระโยคาวจรรู้นิรุตติต่างๆเหล่านี้ด้วยยานใดเป็นอันรู้เฉพาะนิรุตติต่างๆเหล่านั้นด้วยยานนั้นนั่นแหละเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในนิรุตติต่างๆชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาญาณญาณในธรรมห้าประการญาณในอาจห้าประการญาณในนิรุตติสิบประการญาณในธรรมเป็นอย่างหนึ่งญาณในอาจเป็นอย่างหนึ่ง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 ปิติสัมโพชงชื่อว่าธรรมปัสสิสัมโพชงชื่อว่าธรรมสมาธิสัมโพชงชื่อว่าธรรมอุเบขาสัมโพชงชื่อว่าธรรมสติสัมโพชงเป็นธรรมอย่างหนึ่งธรรมวิจยสัมโพชงเป็นธรรมอย่างหนึ่งวิริยสัมโพชงเป็นธรรมอย่างหนึ่งปิติสัมโพชงเป็นธรรมอย่างหนึ่งปัสสติสัมโพชงเป็นธรรมอย่างหนึ่ง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 สภาวะที be ่ประคองไว้ชื่อว่าอัดสภาวะที่แผ่ซ่านชื่อว่าอัดสภาวะที่สงบชื่อว่าอัดสภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอัดสภาวะที่พิจารณาชื่อว่าอัดสภาวะที่ตั้งมั่นเป็นอัดอย่างหนึ่งสภาวะที่เลือกเฟ้นเป็นอัดอย่างหนึ่งสภาวะที่ประคองไว้เป็นอัดอย่างหนึ่งสภาวะที่แผ่ซ่านเป็นอัดอย่างหนึ่ง สภาวะที่สงบเป็นอัตย่างหนึ่งสภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอัตย่างหนึ่งสภาวะที่พิจารณาเป็นอัตย่างหนึ่งพระโยคาวจรรู้อัตต่างๆเหล่านี้ด้วยยานใดเป็นอันรู้เฉพาะอัตต่างๆเหล่านี้ด้วยยานนั้นนั่นแหละเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในอัตตต่างๆชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาญาณ การระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงทำเจดประการการระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงอาจเจดประการธรรมนิรุตติเป็นอย่างหนึ่งอัตถนิรุตติเป็นอย่างหนึ่งพระโยคาวจรรู้นิรุตติต่างๆเหล่านี้ด้วยยานใดเป็นอันรู้เฉพาะนิรุตติต่างๆเหล่านี้ด้วยยานนั้นนั่นแหละเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า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 เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในปฏิพานต่างๆชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทาญาณสัมมาทิชฌ์ชื่อว่าธรรมสัมมาสังกัปปะชื่อว่าธรรมสัมมาวาจาชื่อว่าธรรมสัมมากรรมันตะชื่อว่าธรรมสัมมาอาชีวะชื่อว่าธรรมสัมมาวาญมะชื่อว่าธรรมสัมมาสติชื่อว่าธรรม สัมมาสมาธิชื่อว่าธรรมสัมมาทิชิเป็นธ ร, รรมอย่างหนึ่งสัมมาสังกัปปะเป็นธรรมอย่างหนึ่งสัมมากรรมันตะเป็นธรรมอย่างหนึ่งสัมมาอาชีวะเป็นธรรมอย่างหนึ่งสัมมาวายามะเป็นธรรมอย่างหนึ่งสัมมาสมาธิเป็นธรรมอย่างหนึ่งพระโยคาวจรรู้ธรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยญาณใดเป็นอันรู้เฉพาะธรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยญาณนั้นนั่นแหละ เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในธรรมต่างๆชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทายาณสภาวะที่เห็นชื่อว่าอัดสภาวะที่ตรรองชื่อว่าอัดสภาวะที่กําหนดไว้ชื่อว่าอัดสภาวะที่เป็นสมุทฐานชื่อว่าอัดสภาวะที่ผ่องแผ้วชื่อว่าอัดสภาวะที่ประคองไว้ชื่อว่าอัดสภาวะที่ตั้งมั่นชื่อว่าอัด สภาวะที่ไม่ฟุ้งส้านชื่อว่าอัดสภาวะที่เห็นเป็นอัดอย่างหนึ่งสภาวะที่ตรึกตรองเป็นอัดอย่างหนึ่งสภาวะที่กําหนดไว้เป็นอัดอย่างหนึ่งสภาวะที่เป็นสมุดฐานเป็นอัดอย่างหนึ่งสภาวะที่ผ่องแผ้วเป็นอัดอย่างหนึ่งสภาวะที่ประคองไว้เป็นอัดอย่างหนึ่งสภาวะที่ตั้งมั่นเป็นอัดอย่างหนึ่ง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 ยานในธรรมแปดประการยานในอัแปดประการยานในนิรุตติสิบหกประการยานในธรรมเป็นอย่างหนึ่งยานในอัเป็นอย่างหนึ่งยานในนิรุตติเป็นอย่างหนึ่งพระโยคาวจรรู้ยานต่างๆเหล่านี้ด้วยยานใดเป็นอันรู้เฉพาะยานต่างๆเหล่านี้ด้วยยานนั้นนั่นแหละเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในปฏิพาณต่างๆชื่อว่า ปฏิพาณเนปติสัมพิทายานชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในอัจตต่างๆชื่อว่าอัตถะปฏิสัมพิทายานปัญญาในธรรมต่างๆชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาญานปัญญาในนิรุตติต่างๆชื่อว it ่านิรุตต um, ิปฏิสัมพิทายาน ปัญญาในปฏิพาณต่างๆชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทายาณปฏิสัมพิทายาณ น, นิเทศที่ 25-28 จบ 29-31 ญาัตยนิเทศแสดงญาณสามอย่างปัญญาในวิหารธรรมต่างๆชื่อว่าวิหารทะญาณญาณในสภาวะแห่งวิหารธรรมปัญญาในสมาบัติต่างๆชื่อว่าสมาปัตตทะญาณญาณในสภาวะแห่งสมาบัติปัญญาในวิหารสมาบัติต่างๆชื่อว่าวิหารสมาปัตตทะญาณ ญาณในสภาวะแห่งวิหารสมาบัตมเป็นอย่างไรเผอพระโยคาวจรเมื่อพิจารณานิมิตโดยความเป็นภัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วซึ่งสังขาร น, นิมิตด้วยญาณย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีนิมิตนี้ชื่อว่าอนิมิตตาวิหารเมื่อพิจารณาปณิธิความตั้งมั่นดยความเป็นภัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว ซึ่งปณิธิด้วยญาณย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีอปปนิหิตะนิชื่อว่าอปปนิหิตะวิหารเมื่อพิจารณาอภินิเวศความยึดมั่นโดยความเป็นภัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วซึ่ง arken, าาอภ enfin ินิเวศด้วยญาณย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่เป็นสุญญตะน้ชื่อว่าสุญญตะวิหาร พระโยคาวจร์เมื่อพิจารณานิมิตดูความเป็นไภัยเพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถึงนิพพานอันเป็นความดับไม่มีนิมิตแล้วย่อมเข้าสมาบัติเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีนิมิตนี้ชื่อว่าอนิมิตตสมาบัติเมื่อพิจารณาปณิทิดูความเป็นภัยเพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถึงนิพพานอันเป็นความดับไม่มีปณิขิตะแล้ว ย่อมเข้าสมาบัติเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีปณิหิตะนี้ชื่อว่าอปณิหิตะสมาบัติเมื่อพิจารณาอภินิเวศเดือความเป็นภยัยเพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถึงนิพพานอันเป็นความดับเป็นสุญญตะแล้วย่อมเข้าสมาบัติเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่เป็นสุญญตะนี้ชื่อว่าสุญญตะสมาบัติ พระโยคาวจรเมื่อพิจารณานิมิตโดยความเป็นภัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีนิมิตเพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถึงนิพพานอันเป็นความดับไม่มีนิมิตแล้วย่อมเข้าสมาบัติีนชื่อว่าอนิมิตตะวิหารสมาบัติเมื่อพิจารณาปณิธิโดยความเป็นภัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว ย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีปณิหิตะเพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถึงนิพพานอันเป็นความดับไม่มีปณิหิตะแล้วย่อมเข้าสมาบัตินิชื่อว่าปณิหิตะวิหารสมาบัติเมื่อพิจารณาอภินิเวเตความเป็นภยัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่เป็นสุญญตะ เพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถึงนิพพานอันเป็นความดับเป็นสุญญตาแล้วย่อมเข้าสมาบัตินี้ชื่อว่าสุญญตะวิหารสมาบัติพระโยคาวจรเมื่อพิจารณารูปนิมิตโ ด, ดยความเป็นภยัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีนิมิตน้ชื่อว่าอนิมิตตวิหารเมื่อพิจารณารูปปณิธิ ปัญหาอันเป็นที่ตั้งแห่งรูปโดยความเป็นภยัยถูกต้องแลว้วถูกต้องแลว้วย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีปณิหิตะนิชื่อว่าอปณิหิตะวิหารเมื่อพิจารณารู ป, ปาพินิเวศความยึดมั่นว่ารูปโดยความเป็นภยัยถูกต้องแลว้วถูกต้องแลว้วย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่เป็นสุญญะ นิชื่อว่าสุญตะวิหารพระโยคาวจรเมื่อพิจารณารูปนิมิตโดยความเป็นภัยเพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถึงนิพานอันเป็นความดับไม่มีนิมิตแล้วย่อมเข้าสมาบัติเพราะจิตน้อมไปในนิพานที่ไม่มีนิมิตนิชื่อว่าอนิมิตตสมาบัติเมื่อพิจารณารูปอนิธิโดยความเป็นภัยเพ่งเฉยความเป็นไปแล้ว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 เมื่อพิจารณารูปปณิธิโดยความเป็นภัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสือ่อมเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีปณิหิตะเพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถึงนิพพานอันเป็นความดับไม่มีปณิหิตะแล้วย่อมเข้าสมาบัตินี้ชื่อว่าอปณิหิตะวิหารสมาบัติเมื่อพิจารณารู ป, ปาพินิเวตโดยความเป็นภัย ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้อมไป น, นิพพานที่เป็นสุญญตะเพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถึงนิพพานอันเป็นความดับเป็นสุญญตะแล้วย่อมเข้าสมาบัตินี้ชื่อว่าสุญญตะวิหารสมาบัติพระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขานิมิตวิญญานิมิตจากขู เมื่อพิจารณาชารามรณะนิมิตโดยความเป็นภัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสือ่อมเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีนิมิตนิ้ชื่อว่าอนิมิตตะวิหารเมื่อพิจารณาชรามรณะปณิธิตัณหาอันเป็นที่ตั้งแห่งชาราและมรณะโนะดยความเป็นภัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสือ่อม เพระจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีปณิขิตะน้ชื่อว่าอปณิขิตะวิหารเมื่อพิจารณาชรามรณาพินิเวตความยึดมั่นว่าชราและมรณะโดยความเป็นภัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่เป็นสุญญตะนี้ชื่อว่าสุญญตะวิหาร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 ไม่มีปณิหิตะแล้วย่อมเข้าสมาบัติเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีปณิคิตะนี้ชื่อว่าอปณิหิตาวิหารสมาบัติเมื่อพิจารณาชรามรณาพินิเวศโดยความเป็นภัยเพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถึงนิพพานอันเป็นความดับเป็นสุญญาตแล้วย่อมเข้าสมาบัติเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่เป็นสุญญาตนี้ชื่อว่า สุ ญ, ญตะสมาบัติพระโยคาวจรเมื่อพิจารณาชารามรณนิมิตโดยความเป็นภัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสือ่อมเพราะจิตน้องไปนินิพานที่ไม่มีนิมิตเพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถึงนิพานอันเป็นความดับไม่มีนิมิตแล้วย่อมเข้าสมาบัตินี้ชื่อว่าอ น, นิมิตตาวิหารสมาบัติ เมื่อพิจารณาชรามรณะปณิธิเดือกความเป็นภัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้องไปนินิพานที่ไม่มีปณิหิตะเพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถึงนิพานอันเป็นความดับไม่มีปณิหิตะแล้วย่อมเข้าสมาบัตินี้ชื่อว่าอปณิหิตะวิหารสมาบัติเมื่อพิจารณาชรามรณาพินิเวศเดือกความเป็นภัย ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่เป็นสุญญตะเพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถึงนิพพานอาันเป็นความดับเป็นสุญญตะแล้วย่อมเข้าสมาบัติน้ชื่อว่าสุญญตะวิหารสมาบัติอา น, นิมิตะวิหารเป็นอย่างหนึ่งอปนิหิตตะวิหารเป็นอย่างหนึ่งนนสุญญตะวิหารเป็นอย่างหนึ่งอานิมิตะสมาบัติเป็นอย่างหนึ่ง อปนิหิตะสมาบัตเป็นอย่างหนึ่งสุญญาตสมาบัตเป็นอย่างหนึ่งอนิมิตะวิหารรสมาบัตเป็นอย่างหนึ่งอปนิหิตะวิหารรสมาบัตเป็นอย่างหนึ่งสุญญตวิหารรสมาบัตเป็นอย่างหนึ่งชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในวิหารธรรมต่างๆชื่อว่า วิหารัตยานปัญญาในสมาบัตตต่างๆชื่อว่าสมาปัตตทะยานปัญญาในวิหารัสมาบัตตต่างๆชื่อว่าวิหารัสมาปัตตทะยานญาณัตยนิเทศที่ยี่สิบเก้าถึงสาสิบเอ็ดจบสาสองอนันตริกะสมาธิญาณนิเทศแสดงอนันตริกะสมาธิยาน ปัญญาในการตัดขาดอาสวะเพราะความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอ an นันตริกะสมาธิญาณเป็นอย่างไรคือความที่จิตเป็นเอกคตารมมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจแห่งเนคขัมมะชื่อว่าสมาธิญาณย่อมเกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งสมาธินั้นอาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปด้วยญาณ น, นั้นสมาถะมีก่อนญาณมีภายหลัง ด้วยประการศนี้ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีได้ด้วยญาณนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการตัดขาดอาสวะเพราะความบริสุทธิ์แห่งจิต ท, ที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอนันตริกะสมาธิญาณคำว่าอาสวะอธิบายว่าอาสวะเหล่านั้นอะไรบ้างคือกลามาสวะอาสวะเือกามภ ว, ว, วาสวะ อาสวะคือภพทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิอวิชาสวะอาสวะคืออวิชชาอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปณที่ไหนคือทิฏฐาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปติมักกามาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายภาวาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายอวิชาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบาย ย่อมสิ้นไปด้วยโซดาปฏิมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งโซดาปฏิมักนี้กามาสวะส่วนหยาบย่อมสิ้นไปด้วยสกะทาคามิมักภาวาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกรมาสวะนั้นอวิชชาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกรรมสวะนั้นย่อมสิ้นไปด้วยสกะทาคามิมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งสกะทาคามิมักนี้ กรรมาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมักภาวาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับการมาสวะนั้นอวิชชาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับการมาสวะนั้นย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอนาคามิมักนี้ภาวาสวะทั้งสิ้นอวิชชาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยอรหัตมัก อาสวะเหล่านี of of ้ย่อมเสื am ่อไปในขณะแห่งอรหัตมรรมนี้ความที่จิตเป็นเอกราคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจแห่งอพิยาบาทชื่อว่าสมาธิความที่จิตเป็นเอกราคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจแห่งอารมณสัญญาด้วยอํานาจแห่งอวิคเทปะด้วยอํานาจแห่งธรรมววัฏฐานด้วยอํานาจแห่งญาณด้วยอํานาจแห่งปามุชะด้วยอํานาจแห่งปถมฌาน ด้วยอำนาจแห่งทุติยะชาญด้วยอำนาจแห่งตติยะชาญด้วยอำนาจแห่งจตุทะชาญด้วยอำนาจแห่งอากาสานาญจายตนะสมาบัติด้วยอำนาจแห่งวิญญาณานจายตนะสมาบัตด้วยอำนาจแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติด้วยอำนาจแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติด้วยอำนาจแห่งปัทวีคสินด้วยอำนาจแห่งอาโปกสิน ด้วยอำนาจแห่งเตโชกสินด้วยอำนาจแห่งวาโยกสินด้วยอำนาจแห่งเนลากสินด้วยอำนาจแห่งปีตะกสินด้วยอำนาจแห่งโลหิตตาสินด้วยอำนาจแห่งโอทาตาสินด้วยอำนาจแห่งอากาสกสินด้วยอำนาจแห่งวิญญาณกสินด้วยอำนาจแห่งพุทธานุสติด้วยอำนาจแห่งธรรมานุสติด้วยอำนาจแห่งสังขานุสติ ด้วยอำนาจแห่งศีลานุสติด้วยอำนาจแห่งจาคานุสติด้วยอำนาจแห่งเทวตานุสติด้วยอำนาจแห่งอาณาปานสติด้วยอำนาจแห่งมรณสติด้วยอำนาจแห่งกายกตาสติด้วยอำนาจแห่งอุปสมานุสติด้วยอำนาจแห่งอุทุมาตกระสัญญาด้วยอำนาจแห่งวิณีลกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งวิปุภะกะสัญญา ด้วยอำนาจแห่งวิจิตตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งวิขาชิตตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งวิขิตตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งหัตถวิขิตตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งโลหิตตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งบุลวะกะสัญญาความที่จิตเป็นเอกคตารมณไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอธิกะสัญญาชื่อว่าสมาธิ ความที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจแห่งลมหายใจเข้ายาวชื่อว่าสมาธิความที่จิตเป็นเอกขคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจแห่งลมหายใจออกยาวด้วยอํานาจแห่งลมหายใจเข้าสั้นด้วยอํานาจแห่งลมหายใจออกสั้นด้วยอํานาจแห่งความเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าด้วยอํานาจแห่งความเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจออก ด้วยอำนาจแห่งการระงับกายสังขารหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการระงับกายสังขารหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งปีติหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งปีติหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งสุขหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งสุขหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งจิตตะสังขารหายใจเข้า ด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการระงับจิตตสังขารหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการระงับจิตตสังขารหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งจิตหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการรู้แจ้งจิตหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการยังจิตให้บันเทิงหายใจออก ด้วยอำนาจแห่งการตั้งจิตไว้หายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการตั้งจิตไว้หายใจออกด้วยอำนาจแห่งการเปลื่องจิตหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการเปลื้งจิตหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดหายใจเข้า ด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความดับหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความดับหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าความที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกชื่อว่าสมาธิ ยานย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งสมาธินั้นอาสะวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปด้วยยานนั้นสมถะมีก่อนยานมีภายหลังด้วยประการรัชนีความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายย่อมมีด้วยยานนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการตัดขาดอาสะวะเพราะความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอานันติกสมาธยาน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 ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปฏิมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งโสดาปฏิมักนี้กามาสวะส่วนหยาบย่อมสิ้นไปด้วยสะกะทาคามิมักราวาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้นอวิชาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้นย่อมสิ้นไปด้วยสะกะทาคามิมัก อาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งสกทาคามิมักนี้กรรมสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมักภวาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกรรมสวะนั้นอวิชชาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกรรมสวะนั้นย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอนาคามิมักนี้ภาวาสวะทั้งสิ้นอวิชชาสวะทั้งสิ้น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 อนันตริกะสมาธิยาณ น, นิเทศที่สาสิสองจบสาสาอรณวิหารยานานิเทศแสดงอรณวิหารยา น, นาทัศนาธิปไตยวิหาราธิคมที่สงบและปณีตาที่มุตตาปัญญาชื่อว่าอารณวิหารยานเป็นอย่างไรคือคําว่ า, าทัศนาธิปไตยอธิบายว่า อนิจจานุปัสสนาชื่อว่าทัศนาธิปไตยทุกขานุปัสสนาชื่อว่าทัศนาธิปไตยอนัตตานุปัสสนาชื่อว่าทัศนาธิปไตยอนิจจานุปัสสนาในรูปชื่อว่าทัศนาธิปไตยทุกขานุปัสสนาในรูปชื่อว่าทัศนาธิปไตยอนัตตานุปัสสนาในรูปชื่อว่าทัศนาธิปไตยอนิจจานุปัสสนาในเวทนาในสัญญา ในสังขารในวิญญาณในจักขคูอนิจจานุปัสสนาในชราและมรณะชื่อว่าทัศนาธิปไตยทุกขานุปัสสนาในชราและมรณะชื่อว่าทัศนาธิปไตยอนัตตานุปัสสนาในชราและมรณะชื่อว่าทัศนาธิปไตยคำว่าวิหาราธิคมที่สงบอธิบายว่าสุญญาวิหารชื่อว่า วิหาราทิคมที่สงบอานิมิตตะวิหารชื่อว่าวิหาราทิคมที่สงบอปันิหิตาวิหารชื่อว่าวิหาราทิคมที่สงบคำว่าปณีตาที่มุตตะตาอธิบายว่าความที่จิตน้อมไปในธรรมที่ว่างชื่อว่าปณีตาที่มุตตะตาความที่จิตน้อมไปในธรรมที่ไม่มีนิมิตชื่อว่าปณีตาที่มุตตะตา ความที่จิตน้อมไปในธรรมที่ไม่มีปณิหิตะที่ตั้งชื่อว่าปณีตาที่มุตตะตาคําว่าอารณาวิหารอธิบายว่าปถมชาญชื่อว่าอารณาวิหารทุติยชาญชื่อว่าอารณาวิหารตติยชาญชื่อว่าอารณาวิหารเจตุทะชาญชื่อว่าอารณาวิหารอากาสานัญจาตนะสมาบัติ ในวาสัญญานาสัญญาญาตนะสมาบัติชื่อว่าอรณวิหารคำว่าอรณวิหารอธิบายว่าชื่อว่าอรณวิหารเพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือชื่อว่าอรณวิหารเพราะกําจัดนิวรณ์ได้ด้วยปฐมฌานชื่อว่าอรณวิหารเพราะกําจัดวิตกวิจารณ์ได้ด้วยทุติยฌานชื่อว่าอรณวิหาร เพราะกำจัดปีติได้ด้วยตติยชฌานชื่อว่าอารณวิหารเพราะกำจัดสุขและทุกข์ได้ด้วยจัตุทัชฌานชื่อว่าอารณวิหารเพราะกำจัดรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานาตสัญญาได้ด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัตชื่อว่าอารณวิหารเพราะกำจัดอากาสานัญจายตนะสัญญาได้ด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัต ชื่อว่าอารณวิหารเพราะกำจัดวิญญาณัญญายตนะสัญญาได้ด้วยอากินจัญญายาตนะสมาบัติชื่อว่าอารณวิหารเพราะกำจัดอากินจัญญาญตนะสัญญาได้ด้วยเนวสัญญานาสัญญาญตนะสมาบัตินี้ชื่อว่าอารณวิหารชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าทัศนาทิปไตยวิหาราทิคมที่สงบและปณีตาทิมุตตาปัญญาชื่อว่าอารณวิหารญาณอารณวิหารญาณ น, นิเทศที่สาสาจบส4นิโรธาสมาปฏิยานานิเทศแสดงนิโรธาสมาปฏิยาน ปัญญาที่มีความชำนาญในการระงับสังขารสามด้วยยาณจิริยาสิกและด้วยสมาธิจริยาเก้าเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยพระสองอย่างชื่อว่านิโรธาสมาปัฏิยานเป็นอย่างไรคือคำว่าพระสองอย่างอธิบายว่าพระสองอย่างได้แก่หนึ่งสมาถาพะพละ 2. วิปัสสนาพระสมาถะาพระเป็นอย่างไร คือความที่จิตเป็นเอกรคะตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งเนคขัมมะชื่อว่าสมถะภละความที่จิตเป็นเอกรคะตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอพพยาบาทชื่อว่าสมถะภละความที่จิตเป็นเอกรคะตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอาโลกสัญญาชื่อว่าสมถะภละความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอวิเศปะ ชื่อว่าสมถะพละความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าชื่อว่าสมถะพละความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกชื่อว่าสมถะพละคาว่าสมถะพละอธิบายว่าชื่อว่าสมถะพละ เพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือชื่อว่าสมถะพละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะนิวร์ด้วยปฐมฌานชื่อว่าสมถะพละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยฌานชื่อว่าสมถะพละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะปีติด้วยตติยฌานชื่อว่าสมถะพละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะสุขและทุกข์ด้วยจตุทัชฌานชื่อว่าสมถะพละ เพราะไม่หว no no ER ั่นไหวเพราะรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานาตสัญญาด้วยอากาสานัญจาญตนะสมาบัติชื่อว่าสมถะละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะอากาสานัญจาญตนะสัญญาด้วยวิญญาณัญจาญตนะสมาบัติชื่อว่าสมถะละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะวิญญาณัญจาญตนะสัญญาด้วยอากินัญญาญตนะสมาบัติ ชื่อว่าสมัพละะเพราะไม่หวั่นไหวเพราะอาคินจัญญายตนะสัญญาด้วยเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตชื่อว่าสมัพละะเพราะไม่หวั่นไหวไม่กัดแกว่งไม่เอ็นเอียงเพราะอุทจจะเพราะกิเลสที่ประกอบด้วยอุทจจะและเพราะขันนี้ชื่อว่าสมัพภะภะวิปัสสนาละเป็นอย่างไร พืออนิจานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสสนาภะทุกขานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสสนาภะอนัตานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสสนาภะนิพพานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสสนาภะวิราคานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสสนาภะนิโรทานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสสนาภะปฏินิสัชขานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสสนาภะ อนิจจานุปัสสนาในรูปชื่อว่าวิปัสสนาภะละปฏินิสัคคานุปัสสนาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักขุในชราและมรณะปฏินิสัคคานุปัสสนาในชราและมรณะชื่อว่าวิปัสสนาภะละคำว่าวิปัสสนาภะละอธิบายว่าชื่อว่าวิปัสสนาภะละ เพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะไม่หวั่นไหวเพราะนิจสัญญาด้วยอนิจานุปัสนาชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะไม่หวั่นไหวเพราะสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสนาชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะไม่หวั่นไหวเพราะอัตตสัญญาด้วยอนัตานุปัสนาชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะไม่หวั่นไหวเพราะนันทิ ด้วยนิพิทานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสนาภละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะราคะด้วยวิราคานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสนาภละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสนาภละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะอาธานะด้วยปฏินิสัคคานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสนาภละเพราะไม่หวั่นไหวไม่ขวัดแกว่ง ไม่เอนเอียงเพราะอาวิชาเพราะคีเลหที่ประกอบด้วยอวิชาและเพราะขันนี้ชื่อว่าวิปัสนาภะคาว่าด้วยการระงับสังขารสามอธิบายว่าด้วยการระงับสังขารสามเป็นอย่างไรคือวิตกวิจารที่เป็นวจีสังขารของท่านผู้เข้าทุติยฌานย่อมระงับไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นกายสังขาร ของท่านผู้เข้าจตุตทชาญย่อมระงับไปสัญญาและเวทนาที่เป็นจิตสังขารของท่านผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรทย่อมระงับไปด้วยการระงับสังขารสามนี้คําว่าด้วยญาณจริยา16อธิบายว่าด้วยญาณจิริยา16เป็นอย่างไรคืออนิจจานุปัสสนาชื่อว่าญาณจริยา ทุกขานุปัสนาชื่อว่าญาณจริยาอันตานุปัสนาชื่อว่าญาณจริยานิพิาาาาาาาาาทานุปัสนาชื่อว่าญาณจริยาวิราคานุปัสนาชื่อว่าญาณจริยานิโรธานุปัสนาชื่อว่าญาณจริยาปฏินิสักคานุปัสนาชื่อว่าญาณจริยาวิวัตนานุปัสนาชื่อว่าญาณจริยา โสดาปฏิมาคชื่อว่ายานจริยาโสดาปฏิพลลสมาบัตชื่อว่ายานจริยาสกทาคามิมักชื่อว่ายานจริยาสกทาคามิผลลสมาบัตชื่อว่ายานจริยาอนาคามิมักชื่อว่ายานจริยาอนาคามิผลลสมาบัตชื่อว่ายานจริยาอรหัตมักชื่อว่ายานจริยา อรหัตผ ล, ลสมาบัติชื่อว่ายานจริยาด้วยยานจริยาสิบหกนี้